บุกทูหกสิบเอ็ดตัวจิชร o ร z r ลำดับเลข z r o zero zero หมายเลข zero zero z e r มายเเดือนแรกคือเดือนมกราคม เดือนที่สองคือเดือนกุมภาพันธ์นุเุรเเดือนที่สามคือเดือนมีนาคมยชยช เดือนที่สี่คือเดือนเมษายนยับนรมา์ซรมัลลิยับนรมาซรมัลลิเดือนที่ห้าคือเดือนพฤษภาคมยัดฟนรมาซรรนวจยัดฟนรมาซรนวจเดือนที่หกคือเดือนมิถุนายน ยหมามกวยาเรมามกหกเดือนคือครึ่งปีมาจิคอสึมนุกอสึมนุกมักราคมกุมพาพันมีนาคมชิละมาไซวัดขาพ ชิลล์มาไซรถคาเปเมษายนพฤษภาคมและมิถุนายนมาลิสฟร์เรนนวัชออจิมะกูอุกเมิสฟร์เรนนวัชออจิมะกูอุเดือนที่7คือเดือนกรกฎาคมยาบลลนรา ม, มาซ์บัดซาอุก ยาบลนรมาซ์เบดู๊ดเดือนที่แปดคือเดือนสิงหาคมยาเยนรมราซชเฮยาเยนรมาซ์ชุชฮเดือนที่เก้าคือเดือนกันยายนยาบุนรมาซอนนยาบุนรมาซ์อนนกว เดือนที่สิบคือเดือนตุลาคมยับันเมาซชปอเดือนที่สิบเอ็ดคือเดือนพฤศจิกายนยับุคุเซนมาซชกอเดือนที่สิบสองคือเดือนธันวาคม ยสตยุุตรมาสิบสองเดือนคือหนึ่งปีกรกรกรกดาคมสิงหาคมกันยายนบันด ว, วุวชุสเฮ วันนว่วชิชฮะวันนวตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมชะปูวเชะก็อัจีิตอร์ราซเูวเชะก็อัจีิตอร์รา